ส่วนทางทั้งหลายอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นย่อมตั้งขึ้นคือย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมเป็นไปด้วยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อว่าธรรมทิติคือตัวปัจจยุบันนะมันดำรงอยู่ด้วยอะไรสิ่งนั้นแหละเรียกว่าธรรมทิติคือตัวที่รักษาธรรมะเอาไว้นะรักษาปัจจยุบันไม่ให้ปัจจยุบันเสียหายหรือเป็นตัวที่ทําให้ผลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเช่นชรามรณะนะอะไรรักษาเลยชาติ ชาติน่ารักษาเอาไว้ถ้าไม่มีชาติชรามรณะมีไม่ได้เพราะนั้นคำว่าธรรมทิฏฐินี้เป็นชื่อของปัจจัยธรรมทั้งหลายปัจจัยธรรมทั้งหลายคืออะไรถ้าอย่างชรามรณามีอะไรเป็นปัจจยธรรมชาติแล้วปัจจยธรรมของชาติคือพบเป็นต้นเ น, นี่ยนะปัญญาที่สามารถกําหนดปัจจัยนั้นได้ชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณก็ธรรมทิฏฐิญาณ น, นี้เป็นปริยายแห่ง ปัจญาปริหายานคือการกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปทั้งหลายเหล่านั้นนั้นปัจญะปริหายานกับธรรมติติญานอันเดียวกันเนี่ยถ้าตามทั่วๆไปเนี่ยนะเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นท่านจดนิยมใช้คำว่าปัจญาปริหายานปฏิสัมพิทาท่านใช้คำว่าธรรมติติญานเพราะฉะนั้น การกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีบุคคลผู้ปรารบความเพียรเพื่อยะถาภูตยานทัศนะการกำหนดปัจจัยได้นี่เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตอันตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิตามที่กล่าวแล้วในสมาธิภาวนามยายานแล้วกำหนดนามรูปคือถ้าเรียงโดยลาดับจะเป็นอย่างนี้ใช่มปัญญาที่ฟังแล้วสังวรเอาไว้เป็น ปัญญาที่ฟังและสังวรไม่ได้เป็นสีลมายญาญานใช่ไหมปัญญาที่สังวรแล้วตั้งมั่นไว้ได้เป็นสมาธิภาวนามายญาญานทีนี้ผู้ที่เมื่อมีสมาธิดีแล้วสามารถกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะเน้นที่กําหนดปัจจัยได้เรียกว่าธรรมทิติยานทีนี้ท่านถามว่ายานนี้ทําไมท่านไม่กล่าวว่านามรูปว่า ว, วัฐานายามอย่างเดียวแต่กลับกล่าวว่าธรรมทิติยานเล่า ทำไมแสดงลัดขั้นตอนนั้นน่าจะพูดถึงนามรูป ว, วัฏฐานยานหรือนามรูปปเฉทยานก่อนทําไมกระโดดข้ามไปเป็นธรรมติติยานเลยล่ะตอบว่าเพราะการกําหนดธรรมะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นล้วนสําเร็จด้วยการกําหนดปัจจัยอย่างเดียวเพราะว่าธรรมะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพโยคีบุคคลไม่ได้กําหนดแล้วก็ไม่สามารถจะทําการกําหนดปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเึงทราบว่า นามรูปวัฏฐานยานอันเป็นเหตุแห่งปัจยาปริทหายานนั้นสําเร็จแล้วในก่อนก็ย่อมเป็นอันท่านกล่าวไว้แล้วด้วยศับว่าธรรมมติติยานถ้ากําหนดปัจจัยได้ก็นามรูปไปเฉทยานก็เป็นอันพูดแล้วนะไม่มีใครก็สามารถไปกําหนดปัจจัยโดยที่ไม่รู้จักนามรูปรอกคนที่กําหนดปัจจัยโดยที่ไม่กําหนดนามรูปได้มีไหมนี่ก็คนที่ท่องปัจจัยได้ไง ท่องได้เหตุปัจโยาระมณปจัจโยะทิปติปัจโยเนี่ยว่าอย่างนี้ไปเลื่ยนะเขามาว่าได้ตั้งแต่เด็กๆแล้ั่นพวกนี้ว่าปัจจัยได้แต่ว่ากําหนดปัจจัยไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ <S <S <ๆ warmer>แต่ว่าผู้ที่จเจริญกรรมฐานที่กําหนดตัวปัจจัยได้โดยปัญญาจริงๆเนี่ยพวกนี้จะต้องรู้นามรูปสมมตถิถาพิจารณากรรมและผลของกรรมนะถ้าใครพิจารณากรรมนี่จะรู้ผลของกรรมเลยไหมรู้ถ้าพิจารณาผลของกรรมก็ต้องสาวไปหากรรมได้เนี่ยนะ นั้นคนที่กาหนดปัจจัยได้ก็แสดงว่ากําหนดผลได้แล้วในมหาหัตถีปโทปมัสูตรมัชฌิมนิกายมูลปนาตภาษารีบยบบทท่านแสดงว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือถ้ากําหนดปัจจัยได้จริงเหรอนะถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือปจัจจัยจะเห็นปัจจัยยุบบรรธรรมด้วย ถ้ากำหนดปัจจยุบนรรธรรมคือผลได้จะต้องกำหนดปัจจัยได้อันนถ้าเห็นมันต้องเห็นทั้งสองอย่างนะไม่ใช่ปัจจัยกับปัจจยุบันมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเดียวกันอยู่แล้วคือถ้ามองเขาว่าเป็นปัจจัยก็ได้มองว่าเป็นปัจจัยุบันก็ได้นะเหมือนภาษาไทยที่เรียกว่า้็คนนี้เขาเป็นคนนี้เขาเป็นลูกหรือเป็นพ่อจะถามให้เรตอบว่าไง อ่นะถ้าเขาพูดกับอีกคนหนึ่งที่อีกคนหนึ่งนะเขาเป็นลูกไปไปพูดอีกคนหนึง่งเขาเป็นพ่ออะไรเงี้ยนะก็มองลักษณะนี้ก็ได้สังขารธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าเขาเป็นปัจจยุปันก็ได้อย่างสีของดอกไม้ในเกจันท์ทั้งหลายเนี่ยนะสีอันนี้เป็นผลเป็นปัจจยุปันได้เป็นปัจยปปจยุปันของหมาปูต ร, รูปสี่ในขณะเดียวกันสีอันนี้เป็นปัจจัยของจักรวิญญาณเนี่ยนะเป็นปัจจัยของจักรวิญญาณ ตาเนี่ยจะเว่าเป็นปัจจยุปันก็ได้เป็นปัจจยุปันของมหาพูทที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานตาจะเรียกว่าเป็นปัจจัยก็ได้คือเป็นปัจจัยของจักรคูวิญญาณจักรคูวิญญาณจะมองว่าเป็นปัจจยุปันก็ได้เป็นผลของตาเป็นผลของสีเป็นผลของมนสิการเป็นผลของกรรมในขณะเดียวกันจักรคูวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและเอกคตาเห็นไหมแล้วก็ จะเรียกว่าเขาเป็นปัจจัยก็ได้ปัจจยุบันก็ได้แต่นี้ในขณะเดียวกันคนที่กําหนดปัจจัยได้จริงก็ต้องเห็นปัจจยุบันคนที่เห็นปัจจยุบันก็ต้องสาวไปถึงปัจจัยเนั้นปัญญาที่กําหนดปัจจัยนะถ้ารู้ปัจจัยจริงก็ต้องรู้ผลของปัจจัยคําว่าปัจจัยนี่นะมันเป็นคําที่เรียกว่ามันแล้วแต่วงการไหนเหมือนกันนะบางวงการก็ปัจจัยนี่แปลว่าเงินเลยบอกอย่างขาดแคลนปัจจัยไปนี่แปลว่าขาดตเสบอยงไงนะ รับทราบว่าปัจจัยในที่นี้ไม่เกี่ยวแบบนั้นนะหมายถึงปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันห้าเน้นเน้นตัวนี้เป็นหลักหากจะมีคำถามว่าเพราะเหตุไรท่านไม่กล่าวว่าสมาธิตวาปัจจาปริะเหปัญญาที่แปลว่าปัญญาในการกำหนดปัจจัยเพราะมีจิตตั้งมั่นเหมือนยามที่หนึ่งและยามที่สองเล่าคือคือท่านท่านก็ฉลาดตั้งคาถามนะอย่างเช่น ปัญญาที่รรทรงจำทำที่ได้ฟังมาแล้วสังวรเอาไว้เนี่ยถ้ามาสังวรตามที่ฟังเป็นศี่รมายาญาณพอสังวรให้ดีแล้วทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามายญาณพอพูดสมาธิภาวนามายญาณจบทําไมไม่บอกว่าจิตตั้งมั่นแล้วมาเจริญวิปัสนาอย่างนี้ละ่ะทําไมไม่เป็นอย่างนั้นักบ้างอะ่ะตอบว่าเพราะสมถาวิปัสนาเป็นธรรมะคู่กันตาไม่ใช่ว่าโอ๊้ทําสมาธิให้มันเต็มเปี่ยมก่อนแล้วมาเจริญวิปัสนา ไม่ใช่หรอกมันเป็นการเจริญควบคู่กันไปเรียกว่าเจริญเหมือนกับกระเอกใช่ไหมธรรมะเป็นคู่กันไปเนี่ยนะสมิงดังคาถาประพันธ์อันพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าหากว่าพระโยคีบุคลคลคําว่าโยคีเนี่ยนะแปลว่าผู้ประกอบด้วยสมถาวิปัสนาเนี่ยนะพระโยคีบุคคลมีจิตตั้งมั่นย่อมเห็นแจ้งด้วยวิปัสนาได้โดยประการใดไซด และหากพโยคียบุคคลเมื่อเห็นแจ้งอยู่จิตย่อมตั้งมั่นด้วยดีโดยประการนั้นคือหมายความว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วต้องเห็นแจ้งหรือคนที่เห็นแจ้งก็แปลว่าเห็นจิตตั้งมั่นในการนั้นสมถะและวิปัสสนาเป็นธรร ม, มะมีส่วนเสมอกันเป็นธรร ม, มะคู่กันไป เพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าปัจญาปริกเหหปัญญาธรรมทิฏฐิยานังแปลว่าปัญญาในการกำหนดปัจใจเป็นธรรมทิฏฐิยานดังนี้เอาไว้เพื่อจะให้รู้ว่าตราบใดที่อริยมรรยังไม่ละสมาธิทำสมาธิกับปัญญาให้เป็นธรรมะคู่กันพโยคีบุคคลก็จาต้องขวนขวายอยู่ตราบนั้นพูดอัถาว่าถ้าอริยมรรยังไม่เกิดนะทิ้งสมถะวิปัสนาไม่ได้เนี่ยนะ ทิ้งสมถาวิปัสนาไม่ได้สมถาวิปัสนาต้องควบคู่กันไปจนกว่าอริยมรรคจะเกิดเพราะว่าโดยเฉพาะโลกุตระมรรคนะต้องเคียงคู่กันไปถ้าถ้าเป็นชั้นโลกิยะนะสมถะครั้งหนึ่ ง, ง, ง, ง, งวิปัสนาครั้งหนึ่งสมถะครั้งหนึ่งวิปัสนาครั้งหนึ่งสลับพร่าคร้ากันไปลักษณะนี้เหมือนกับการก้าวเดินทีละก้าวใช่ไหมก้าวซ้ายก้าวขวาแต่ถ้าไปยืนเหยียบพื้นที่ยืนตรงเลยนะอันนี้ต้องยืน เสมอกัร น, นะนะนี้ก็มีลักษณะเดียวกันถ้ามองว่าสมถะเหมือนเท้าซ้ายวิปัสสนาเหมือนเท้าขวาจะเดินแต่ก้าวเดียวได้ไหมที่จะไปให้ถึงจุดที่ยืนจริงๆนะแต่ถ้ายืนเราจะต้องเอายืนเอาเท้าชิดกันเป็นต้นเนี่ยนะการเจริญกุศลธรรมเนี่ยที่จะให้ถึงที่หมายก็ลักษณะเดียวกันกรับนัสการถามค่ะในสมาธิภาวนามยญาณ น, นี้ปัญญาที่เกิดนั้นเป็นสหชาติชาติ ใน<อ>ดวงเดียวกันเลยนะกับกับสมาธิ เ, <อ>เป็นเป็ น, ปนตัวที่สัมปะยุทธ์กับสมาธิเลยเจนบ้านคือปัญญาที่สัมปะยุทธ์กับสมาธิเนี่ยนะถามว่าเข้าอะไรเป็นเครื่องวัดว่าขณะนั้นจิตเป็นสมถะขณะไหนจิตเป็นวิปัสนาตัวที่เป็นนิมิตนะคืออยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์สมมุติว่านี้เป็นสมถะ สมถะกับวิปัสนาตัวตัวนี้เป็นสมถาวิปัสสนาเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมสมถาวิปัสนานั้นเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับจิตเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตแต่ธรรมะเหล่านี้ต้องอาศัยอารมณ์ตัวอารมณ์ของสมถะก็คืออะไรเช่นกลมอสุภารมอะไรอกปิยมนาปะ นะทุก like. ขิตาสัตว์นไสุขสขิตสัตว์เมื่อมนัสิการเช่นมนัสิการโดยความเป็นอสุภาณ์นะอสุภาษมีวิญญาณครองอสุภาษไม่มีวิญญาณครองเมื่อจิตมนัสิการแบบนี้เป็นสมถะเมืม่อมนัสิการว่าอารมณ์นั้นปิยมนาปะนะเพื่อจะเจริญเมตตาเมตตาหมายถึงพิจารณาโดยด้วยอะไรก็คือสัตว์นั้นอ่ะเป็นสัตว์ที่ น่ารักน่าเจริญใจแต่ก็ท่านบอกว่าระวังศัตรูใกล้นะเพราะว่าเมตานี่ศัตรูใกล้คือโลภะส่วนทุกขิตสัตว์เป็นอารมณ์ของกรุณาแต่ระวังศัตรูใกล้นะคือโทสะและก็สุขิตสัตเห็นไหมสุขิตสัตว์ก็คือพวกเจริญมุทิตาแต่ระวังศัตรูใกล้นะตัวตันหาที่เพลิดเพลินสนุกสนานไปเลยนะก็ระวัง พวกเจริญแบบนี้เป็นสมถะเท่าวิปัสสนานะก็เป็นขันธ์ธาตุอายตนะก็ยกคร่าวๆนะแล้วก็ปัจจัยปัจจัยของขันธ์ปัจจัยของธาตุอายตนะการมนสิการอย่างนี้แล้วก็ยกทั้งปัจจัยกับปัจจุบันโดยไตรลักษณ์พวกนี้เป็นวิปัสสนา มนัสิการแนวนี้เป็นสายวิปัสนามนัสิการอีกแบบหนึ่งเป็นสมถะพวกนี้ต้องเจริญควบคู่กันไปเมื่อมนัสิการโดยดเรียกว่าวิปัสนานิมิตอีกเขามีชื่อหนึ่งว่าอุเบกขานิมิตนะวิปัสนาเนี่ยเรียกว่าอุเบกขานิมิตเมื่อมนัสิการพวก น, นี้โดยทั่วไปจะค่อนข้างเหนื่อยเมื่อมนัสิการเหนื่อยก็กลับมาเจริญสุภาเป็นต้นเพราะไม่ต้องใช้วิต ก, กะอะไรมากมายเนี่ยนะเจริญไม่ค่อยสู้แต่หนักนัก แต่ถ้าเป็นวิปัสนาที่ขันทาตอายตนะนี่ก็นับว่าหนักมากแต่ถ้าคนใหม่ๆนะอสุภะก็หนักเจริญอสุภะก็เหนื่อยเจริญเมตตาก็เหนื่อยอีกเพราะโทสะมันแทรกเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ